ว่าคือเจตนาที่ในโลภะมูลจิตต่ำเาะว่าคือเจตนาที่ในโลภะมูลจิตดวงหนึ่งเป็นเหชาติคือขนาดเกิดอุปาทัขนาของโลภะดวงนี้เป็นเกิดขึ้นเพราะชาติดูปาทั้ขนาดของโลภะมูลจิตดูบาตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วถีติก็คือชลาและพังคขนาดคือมระนะถีติคือถีติขนาดของโลภะจิตุบาทกับพังคขนาดของโลภะจิตุบาทคือชลาและมระะดวงที่หนึ่งถึงถึงเกิดขึ้น ใช่ความเกิดขึ้นเห็นกองทุกข์ทั้งปวงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่ไงปฏิจจานในจิตดวงอันนี้ละเอียดลึกลึกลงไปเลยเอาดวงเดียวเดินนะนี่พูดให้เห็นว่านี่ไงนี่ไงสังสารวัฏเห็นไหมนี่ไงสังสารวัฏขนาดจิตเดียวแต่มันเป็นแล้ว จะได้เข้าใจ<หม>คําว่าสังสารวัฏคุณอย่าไปเข้าใจว่าสังสารวัฏแค่เรียนว่าแต่เกิดแม้ขณะที่คุณกําลังจิตดวงหนึ่งเป็นไปปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็กําลังเดิมในจิตดวงหนึ่งของคุณจิตดวงหนึ่งทั้งกุศลและอกุศล <im> แต่อันนี้ถ้าจะอธิบายอย่างนี้มันจะมันจะมากเกินไปสุดๆไม่ใช่ให้เข้าใจไม่ไม่โยงเข้าใจแต่ว่าถ้าจะเอามาอธิบายในนี้มันคงจะไม่ไม่ไหวนะคะเพียงจะเอาเอา เกินขนาดจุดการเกินเกินได้ว่าปฏิเจสมุทบาทหมุนในกระแสขันมังกรตลอดเวลาอยู่แล้วอธิบายแบบนั้นบอกว่าเพราะว่าถ้าอธิบายอย่างนี้ก็คนที่ไม่ได้เรียนก็คงไม่เคงแต่คนได้เรียนนี่โอ้โหจะจะจะเข้าใจมากมากเลยนะคะแต่ละดว ก็ต้องการอธิบายให้เข้าใจว่านี่ไงสังสารวัตรเดินอยู่ในใจในกระแสขันของคุณตลอดเวลาคุณจะรู้ไหมวัดตากมันกำลังหมุนไม่รู้เนี่ยถ้าเห็นวัดตากกำลังหมุนอันนี้เป็นไปในส่วนของของของวัตตาประเภทไหนใช่ไหมค่ะปฏิจจภาพประเภทไหนปฏิจจาพที่เป็นบุญศลหรืออกุศลค่ะถ้ามันกําลังหมุนไปอยู่นะไม่ใช่หมุนธรรมดานะท่านเมื่อหมุนไปแล้วเนี่ยแปลว่ากรรมมันสําเร็จไปแล้วนะ แล้วท่านทําอะไรกันอยู่ท่านไม่เห็นทุกข์ษัตริ์ในปฏิจจคุเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัจจะในนี้แล้วแล้วท่านจะถ่ายถอนได้ยังไงแล้วคํานี้เราจะพูดได้ไหมคะนะพูดแบบก้าวๆว่าเร า, าบอกว่าตามหูจบุกลิ้นกายใจที่กําลังเปลี่ยนอารมณ์เงินทุกๆ ท, กทวาร น, นั้นคือการหมุนไปของปฏิจจคแล้วเราจะใช้คาพูดว่าท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้จะได้นะจะการกล่าวตู่ไม่ตู่เลยอันนี้เขาได้เป็นอาิธรรมวันไหนห<ะ>เป็นอาิีย์ธรรมวันไน อ๋อพิจารณาไงโยมโยมจะได้เรียงเรียกเอาตัวโยมออกอ๋อไม่ได้กล่าวตันะคะไม่ใช่กล่าวตัวไม่ได้กล่าวตัวท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ฮะท่านไหนไม่รู้นี่คือ<า>ก็พระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่ค่ะคือท่านท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้อย่างเนี้ยที่จะว่าเราเร า, เร า, เ, ราเรารู้ไหมว่าอย่างเนี้ยมันกําลังหมุนกอีกรรมกำลังหมุนไปอย่างเนี้ยอ้ยอย่างนี้มีกล่าวเยอะแยะหมดเลยที่จะโยมจะใช้คำาันนั้นนะนะคะแล้วก็บอกว่ากล่าวไว้ว่าอย่างเนี้ยนะคะก็บอกว่าโดยหลักตามความเป็นจริงแล้ว ใ่ไนะหมโดยหลัตหกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยาออการหมุนไปของขงันธ่าอิจฉานะมันเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณหเห็นรูปได้ยินเสียงโดนกลิ่นลิ้นลบสั<า>่ผัแล้วก็คิดนึกธรรมอารมณ์อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องห่านอะไรสะแล้ใช่ไหเ<า><า>พราะความจริงก็เนี่ยตามหล <า S 2> <า>ักแล้วก็วิจิตรพุทพจน์นั่นเลยเอามีดีถามว่ามีสูตรรับรองหอาศัยตาแล้วรูปเกิดจากกุญาในการประชุมของธรรมประการมิประเห็นไหมในชาติกาสูตรเป็นต้นนี้ไหเนี่ย เห็นไหมเราก็กล่าวชัดเลยเห็นหว่าฉะนั้นหมุนไปทุกขนาดจิตอยู่แล้วคะคคือคืออยากจะใช้คำพูดอันนี้<ห>แต่ว่ากลัวจะเป็นกล่าวตูตไม่ดูๆๆนั้นอาจจะมาแล้วกล่าตูดี่แบบไม่่ค่ะงั้นเนในโดยหลักตากาเป็นจริงแล้วอะไรอย่างนี้ฟังค่ะก็คือคือคือในลักษณะนี้พอรามองอย่างนี้แล้วมันจะสะดุ้งจะถึงใช่คะ มันสะดุ้งจริงๆสะคุ้ถ้าใครคิดแบบนี้บ่อยนะสะดุ้น่ากลุวเมื่อมาเช้ายังคุยกับพระอาจารย์น้องท่านคุยแต่ไปคุยมาอะไรก็ไม่ทอบเจออะไรง่ายพระองบอกว่าโยมเห็นนาฬิกาที่ที่อะไรที่ก็มีตามมินาทีอะโอ้โหมันทำให้มันเหมือนสัญญาเตือนว่าท้ไม่ได้นะ คนพูดถึงระเทกะรัตรัตสูตรพระเทกะรัตสูตรชอบเหลือเกินตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไม <enser> ่อ่านยังไม่ได้ไหาธรรมะก็ชอบปัดอันนี้คือท่านบอกว่าอมาฟังอยู่นี่พระองค์นั้นท่านก็พูดถึงสุดเดียวกับที่เราเคยชอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกมาคล้ายๆกับป้าของมันเดินพี่ก็มาเดินตามท่านอไรอย่างเี้นะแล้วก็เลยมาพูดถึงอันนี้ค่ะว่าว่า ว่าอะไรจะเป็นรนี้ไหมหรืออะไรไหมกันนาฬิกาออนาฬิกาค่ะนาทีออนนาทีวินาทีท่านนะโอ้โหมันมาเหมือนกับเป็นสิ่งที่มาเตือนนะคะช้าไม่ได้นะเพราะงั้นโยมบอกกลางวันโยไม่เคยนอนแล้วก็ถึงเนยโยไม่เคยปล่อยเสียเวลาเวลานี้นะฮะให้มันเสียไปกับสิ่งมันก็มีบ้างละคะไม่ใช่มีปุถุชนนะคะเพื่อสันติภาพอะไรบ้างนอนกลางเดียว เพื่ออะไรอะไรบ้างแต่คนนี้ถ้าอยู่ลาพังเนี่ยมันมันจะไม่ปล่อยเลยพเห็นนาฬิกาโอ้โห้วยตั้งแต่เนมันคมัมาเตือนเองอะเหมือนเหมือนกับสนมรณะนุสติโยงยังไม่คิดอย่างนั้นางนั้รียกมรณะนุสติใช่ไหมะนี่แหละคือมรณนุสติงใช่ไหมคะเนีไหนเห็นโยงยังไม่เข้าใจทั้งที่โยทาแต่ว่าโยไม่เข้าใจโยมรณานุสติโยงไม่ต้องคิดถึงความตายบ่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ แต่อันนี้ก็คิดหนึงใช่ไหมคเพราะต้องรีบนค่ไหนรีบทำคือคือมรณะคำว่ามรณะทุสติกก็แปลว่ามันทําให้สะดุ้งกลใช่กลัวภัยค่ะกลัวภัยค่กลัวว่าไทยที่เราจะต้องเจอข้างหน้ารอช้าไม่ได้มันจะมัวมาแต่งตัวงามนามมัวเที่ยวไปโน่นมัวเปิดปืนแนวลมนั้นไอ้นั้นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี้ก็ยังไม่ได้ทำกังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้เราพลาดแล้วชีวิตเราพลาดอย่างเดียวมัวรานแล้วเสียดายไปแล้ว คือเราแทนที่จะได้กุศลจากการที่ผ่านไปแต่ละนาทีนาทีและต่อวินาทีแต่เรากลับกลายไปให้บาปเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาตลอดเวลาใชบาปเกิดทางตาก็บาปเกิดทางหูก็บาปเกิดทางจมูกก็บาปเกิดกินอาหารก็บาปเกิดพูดออกมาก็บาปเกิดการกระทําก็บาปเกิดคิดบาปเกิดโอ้ยเราน่าจะได้บุญทั้งหกทางใช่ไหยคนฉลาดก็เก็บบุญหมดแล้วเราเก็บได้ไม่หมดหรอกเพราะว่านข้างมันก็ยัง ถ้ากระตุน้นถ้ากระตุ้นแรงๆแบบนี้แสดงว่าบุญม่ใช่เพราะยงยมวิญญาณที่อยู่กับธรรมราจะเป็นตัวกระตุน้นเยอะเหมือนเมือนกับไอสิ่งนี้มาสัญญาในนี้คือ<ม>อย่าลื ม, ม น, นะบุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิธรราราที่ถูกใครไปอ่านบุญนั้นมันย้อนกลับมันย้อนกลับอย่างแรงมันเที่ยงอากมาบรรยายไ ป, ไปคนต้องไปฟังแต่ละคนบุญมันกระแทกกลับที่อัตมาแรงมาก หรือใครไปช่วยเผยแผ่ช่วยจัดการอะไรย่งไหบุญก็แท้กับคนนั้นเร็วมาอย่างบุญพันเนี่ยบุญก็แท้กับเธอแรงเพราะอะไรไหมเธอขับรถขับไล่เพียงแต่ลองเธอเปิดใจมากกว่านี้เน่ยบุญจะสะท้อนเธอไปได้เร็วเพราะเธอนี่บริการไงใช่อย่างนี้เป็นส่นเนี่ยมีพูดอัดกัเลยเรื่องเขาก็มีเป็นความจริงไม่ได้ยอกไม่ได้สัจจะ เฉย่เขาช่ใช่เพราะว่าบุญอนนี้มันแรงเขาเรียกว่าให้สถานที่ให้ความสะดวกไงเราพยายามที่จะให้คนเลยรู้ตัวรู้อยากให้พวกเรารู้แล้วบุญนั้นมันจะแทกกลับอธิบายใจคําอย่างมั้มันย้อนกลับแรงมากนะเขาเมัอนจะเป็นตระโตโฆษาปัจจัยเตือนโดยที่เราไม่ได้ปรารถนาสิ่งนั้นเลยไม่ต้องปรารถนาก็มาแล้วมีและอโมทนาจริงๆหนูทอย่างที่ทำใช่ นันตรงเนี้เป็นบุญที่แรงหลายคนไม่ค่อยเข้าใจบุญตรงนี้บางทีไม่รู้ยจะทำไปบุญมันมันส่งถึงเมื่อไรเหมือนเหมือนเหมือนเมื่ก่อนโยม อ, อาจารย์คิดได้ที่ไหนเรเห็นวินาทีแป๊บแมันกระเตื้นแรงเลยถ้าไม่ใช่บุญจากการที่เคยสร้างสมบุญตัวนั้นก็เม่ก่อนเราไม่เป็นนะคะใ ช, ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคือแ ม, แม้แม้ในขณะเนี้คนบางคนอาจจะหยิบก็จะัอกตอนที่กําลังมองเป็นพลียนใช่ไหมตอนนี้เบื่อนหน่ายครอบครัวอะไรเงี้ย ที่บุนเหล่านี่เกิดในใจเขา<ช>ที่บุนเหล่านี่มันย้อนมันย้อนกระแทกเก่าถึงเราจะตายไปกี่พ่อกี่ชาติคนยังอ่านอยู่<ช>บุนก็ส่งอยู่นั่นแหละถ้าหาไปวางจิดวางเรื่องหลายคนทําบาปคนทําบาปอยู่คนชวยเรื่บรรดาเจ้ารัติทั้งหลายเนี่ยเช่นไปสอนผิดสมมติอาตมาไปสอนผิดนะแล้วคนก็ไปทําดามผิดๆไอ้บาปไอ้วิปธรรมวิปริต ก, ก็ส่งคนอาตมาอ ย, อยู่นั่นแหละอาตมากลัวมากเลยทีนี้ ไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะคะก็ใช่ังก็ทรงมุสุจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วเธอในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราจึงวิปรลิตกันเยอะแยะเพอบาปบเหล่านี้นี่แหละมันตามเล่งงานพวกเราไปทั้งหลายทำให้มีประโยค้าววิปักกันอยู่เนี่ยบางครั้งก็เผลไปทำผิดทำชั่วกันอยู่เนี่ยอย่าไปแปลกใจเพราะว่าเราเคยให้ธรรมะวิปลิตในอดีตมาเยอะก็วปของเราเองนั่นแหละนในปัจจุบันไืรู้ว่าพวกมันแก้ตัวกันอยู่นี่แหละ จิตเลยที่ไม่รู้แบาทำอะไรมาก่อน น, นั่นแหละตรงเนี้มันว่มันพมกระตุ้นความคิดมันทําให้คิดผิดไปเลย <S S อแ ล, ลลแล้วเราเนี่ยมันพ้นที่ไหนก็วันใดวันหนึ่งไม่รู้อ่ะถ้าบาปเนั้นตามไม่ผลอ่ะมากระตุ้นทําให้ราตายเป็นวิชาที่ิี่อย่างแรงไม่เข้าวัดเข้าวาเล ย, เลยก็ได้ยงังาดมเปลยไปได้ถึงใครนะทําไมจะไม่ได้บางคนเนี่ยนะอากเป็นผู้ชายอยู่แี่จะกลายเป็นผู้หญิงได้อดูดูบาปเป็นส่งผลเด็ นั่นถึงบอกมันส่งผลได้ในบริว่าริการมันส่งได้เนี่ยเราแน่เป็นต้นอะไรอยู่ๆเนี่ยความเห็นถูกเป็นอยู่ดีๆพอบาาที่มันได้จังหวะขึ้นมากา ร, ปรเป็นผิดผิดพอถึงไอ้ไอ้ไอ้วิบาก่<ช>มันให้ผลนะคะลองที<ช>บางคนเนี่ยศึกษาเราเรียนมาอย่างดีไปเจอลาบสการ์ละน่าคร่อกงามไปเลยไหมเนี่อยอีนี้เป็นต้นเจอเรืนึงต้องบอกเสียหน้ากลัวต้องพึงระวังเมื่ที่เราสร้างความดีไว้เยอะๆที่แหละ เป็นเกาะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยอีกกรณีนี้แหละไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนี่เป็นนี้นี่ก็จะมองเห็นใช่ไหมพอมองเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจนี่พอพอเข้าใจตรงนี้ก็จะก็จะเชื่อมโยงคําสอนของพระเจ้ธธาได้ทีนี้ถ้าไปดูอีกส่วนหนึ่งบิ่งไปดูในส่วนนของคำว่าโลกาวิทูเนาะ ถ้าอยู่ดูสังสารวัตรให้ชัดกว่านี้ก็ไปดูในส่วนนู้นคือคือไปคาว่าตั้งแต่สัมมาสัมพุทธโธแล้วเพราะคำว่าสัมมาสัมพุทธโธที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเข้าใจไอ้ท่านท่านแทงตลอดนี่เนะี่ยเป็นบทพุทธคุณนะเป็นบทพุทธคุณที่บอกว่าสัมมาสัมพุทธทาเนี่ย ที่บอกว่าสัมมาสามัญญาปุทสตาสัมมาสัมุทธโธซึ่งแปลว่าเชื่อว่าสัมมาสัมุทธาเพราะความที่เป็นพูดธตัสรู้โดยชอบ ด, ด้วยด้วยพระองค์เองเท่านั้นนี่ยะคำว่าสัพพะธรร ม, มานังเขแปลทำทั้งปวงเนี่ยทำทั้งปวงเนี่ยเนี่ยก็แปลว่าพุทธเจ้าตัสรู้อะไรตัสรู้เยเย้ารับสังขารวิการะนานาละกันนิพพานเป็นใหญ่ สังขารวิการและขนาานันธิพิพรนบัญญัติก็คือสังขารก็ได้แก่สังขัดฐานทำที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดอยู่น <Okay. S 1> ไหมตลอดถึงกินไปถึงโลภุตระที่เป็นไปในภูมิสี่ด้วยก็ปเป็นสังขารอยู่เ <Okay. S 1> ช่นมรรคกิจประจิตเนี่ยอันนี้เป็นสังขาหมดเลยนะไม่รวมนิพรานใช่ไหมกายประจิต <Okay. S 1> ร, <Okay. S 1> ปรูปปจิตอรูปรจิตโลกุตระจิต <Okay. S 1> แม้เจตสิกก็ตรัสรู้ สังขารในที่นั้นน่ะถ้ากินความไปก็คือว่าจินแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองนิพพานในรูปสิบแปดนี่จะเป็นสังขารกันนะวิการก็คือวิการรูปสามอันนั้นเป็นเป็นความเบาความอ่อนความควรของรูปและขนาะรูปสี่ก็คืออุปัจจะย í, สันติชรรราตินิจตาอันนี้พุทธิยถาต้องรับรู้ได้ได้เด่นเด่นรู้เข้าใจแทงทะลุทะลวงว่าเห็นขนาดเกิด ใช่ไหมขนาดสื่อต่อขนาดแก่แม้ขนาดดับของนามของรูปเนี่ยเนาะในของรูปเนี่ยนะของรูปธรรมร่างนิพพานจะเป็นนิพพานของใครพระริจ้าจาสรู้หมดเลยจะเป็นนิพพานหนึ่งนิพพานสองนิพพ า, านสามหรือ น, นิพพานแยกออกเป็นหลายๆร้อยหลายโกรดหลายพานของใคยทั้งหมดจะสรู้หมดเลยบัญญัติทั้งหมดอันต่างด้วย อัถบัญญัติและสัทธาบัญญตัติจะเป็นบัญญัติอะไรเยอะแยะที่เปลี่ยนย่อยไปจากสองบัญญัตินี้ไม่มีะไรที่พระเจ้าจากไม่รู้นั้นอนนาวานญาณสัพพัญยุตยานินเทียโรูปริยจ ย, ยานอาสาตนญญาณหกพระพุทธเจ้าทศวรรษยานสิทธิพุทธย า, า 14, นสิทธเวทที่จะทำสิบแปดลกลนเนี่นย น, นะนเเรียกว่าตัดสรุยิ่งทีนี้เวลาตัดสรุของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองไปในส่วนของภายใน ในส่วนของภายในพุทเจ้าตัดสรุได้ด้วยตนเองนี่ตัดสรุอะไรเช่นตัดสรุขันธาอตอายตนะสัตจักอินทรีย์ปฏิจจักหมดเลยถ้าในส่วนของอายตนะในส่วนของเกี่ยวกัเรื่องงอจักรใช่ไหมอาจักรมันตัดสรุปด้วยามเป็บบนทุกข์เอามาวิจั ย, ยเลยรูมม้หมดแล้วก็เหตุที่ทําให้เกิดจักรเป็นสมุทรไทยจักรสมุทรไทย จากขู่นิโรธคือความไม่เป็นไปต้อกจากขู่และตัณหา<ม>ที่เป็นปัจจัยจากขูเกิด อ, อันนี้เป็นนิโรธและสัจจ์<ม>ต่อที่ปลายถึงนิโรธก็เป็นมรโสตค า, านาะจิวหากายะและก็มนโนก็มาวิจัยลงทุกสมุทยัยนิโรธ ม, มร์ไปหมดรูปอารมณสัจจาลมนันตารมาารมาสาลมโสดาภร ม, รมและธรรมอารมก็มาวิจัยลงในทุกสมุทยัยนิโรธ ม, มร์หมดเลยแล้วก็เกี่ยวกัเรื่องขนะองอายตนะภายในและอายตนะภายนอกวิญญาณหก จากคูวิญญาณโซตาวิญญาณกาัวิญญาณจวหาวิญญาณกายยงวิญญาณมโนวิญญาณแต่ยาณในจากคูวิญญาณเป็นทุกขสัจเคยให้ตัวจากคูวิญญาณเป็นสมุทัยยะสัจความไม่เป็นบายข้อเหตุเขาจากคูวิญญาณแลตัวจากคูวิญญาณเป็นนิโรธาสัจปับทถึงนิโรธาเป็นมากเห็นไหมจากคูวิญญาณปนจนถึงมโนวิญญาณก็มางวิจัยจารย์อย่างรวมมารยสัจหมดทัาหจากูสัมปาสสโซต่าวิสัมปัสส์กลางนักสัมปัสส์จน๋วหาจัมปัสส แล้วก็เวทนาหกสัพพะสัจาสชายเวทนาสโสตาคาราจิวหาสกายนะแะก็มโนสพัพพะสัจชาเนะวทนาเวทนาทุกเวทนามาวิจัยเป็นทุกข์เหตุให้เกิดเวทนาเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของเหตุของให้เกิดเวทนาและตัวเวทนาเป็นนิโรธปรฏิปทาเป็นนิโรธเป็นมรรคสิทธสญญนะิสัญญา6รูปปัจสัญญาสัมถะสัญญาคารสัญญาจิวหากายะสัญญามโนสัญญานี่ยสัมมาสัญญานี่ยเอาวิจัยลงเรียต์จตเวทนา6 เจตนา6รูปะสัเจตนาสัทธาสเจตนาไล่ไป่างหนึ่งทให้สังเจตนตัณหา6รูปะตัณหาสัทธาตัณหานตัณหาชิวในัะโพดะแลธรรมะตาตัวตัณหาเป็นตัวสัตว์ได้ตัณหาที่เป็นไปในปัจจุบันนภ์ไตัวตัวตัณหาที่มันลงผลขวต่างเล่นี้นะส่วนเหตุที่ทาให้ตัณหาเกิดในปัจจุบันภ์ที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยนตหาในปัจจุบันนี้เป็นสมุทัยสัจจ์ความไม่เป็นไป้องเหตุของตัณหาและตัวตัณหาเป็นโลสัจจ์ ตอนที่ปทายถึงนิโรธเป็นมรดกเห็นหมที่ตัณหาก็เป็นเรื่เป็นเรื่องคถานก็เป็นทุกข์ษัติย์เนียเท่าี่เกิดตัณหาจะไปสุ่ทเป็นต้นอันนี้ถามมีหลักฐานไหมมีในไห น, น, นในสัมมาทิฏฐิสูตรตัณหาจักตัณหาตัณหาจากตัณ ห, หาสมุทยาจาัดเป็นต้นอยู่ในมัจฉมณีการมูลบันหน้าใมนิสูตรที่เก้าีกเป็นต้นเนี วิตกหกตาใชไหมรู ป, ปรว้วิตกสัทาวิตกันท้าวิตกเป็นต้นนี่วิจารหกกับรูปปวิจารสัตวิจารเป็นต้นลักษณะนี้ก็เป็นเอามาวิจัยลงทุกสมุทรยิโรดมรุนแล้วก็ท่ามีรูปปั้นทาใช่ไหมรูปัท่าัตว่าขันท่าท่รัศท่าโภกท่าเป็นไ้แล้วก็ 5, รปปรรปปรธรรมท่าทาท่านทนี้เอามาวิจยัยเป็นทุกสมุทยิโรดมขันท่าเนี่ย รูปอาขันเมรณาสัญญาสังขา ร, รินเนี่ยอืมอนุสติสิมีพุทธา น, นุสติเป็นต้นทางวิจารณนทุกสมุทยที่โลดมากตัวสติที่ไประลึกถึงพุทธคุณเป็นทุกัตริย์หมเห็นไัมเนีเอาสิแล้วตัวตัณหาที่เป็นเหตุให้สติและธรรมะที่เกิดราะม่อสติเกิดก็เป็นสมุทยสัจจ์ความไม่เป็นไปของพุทธคุณทั้งหลายลคุณของพระเจ้าทั้งหลายตนก็เป็ น, นี่่ง ปฏิบัรธเป็นมากุทุกมาตการสุภาวิณีรกาสุภาวิปุพ ก, กาสุภาวิิตกาสุภาวิขาชิกาสุภาอสุภ า, า, าสิทั้งหลายเป็นทุกขสมุทัยนโรดมากหมดเลยเอานักไ ป, ปกร ส, ส, สินสิบปัจจุบีกสินนาาโปกสินาาังเตโชวายินทร์เอาวิปยาปนทุกขสมุทัยนโรธมากหมดเลยว่าป็นอยาใช่ไห ม, มหมูใจฉุนเลยเพราะต่อทุีก็ะสิน่คือดวงกลมนั่นะ ถ้ า, าวิจัยเป็นทุกสมุทัยทุ่แล้วทำไมต้องวิจัยท้าไมวิจัยจะเป็นที่ตั้งของอสารศาสตร์จะเกิดควา ม, มดีก็จะติดอยู่ในกระสินติดอยู่ในชาตติดอยู่ในสมาบัติแล้วติดอยู่ในปฏิภาคชีวิตก็มไม่ต่างอะไรกับละทิภาย น, นอกที่ออกจากวัฏจักรไม่ได้เพราะไม่เอากระสินไม่เอาอสุภหมอวิจัยมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกสรลมานะคะนะเกสาเป็นทุกข์ศาสตร์เกสาสมุทยาเป็นที่รอดทาาัศษจักร เกษาหนโรทะเป็นนิโรท้าสัจจ์เกสาหนิโรและคามีปฏิวทาเป็นมักขสัจเอาสิตัวผมเนี่ยเป็นทุกขสัจตัณหาที่เป็นไปใจัเกิดผมเป็นสมุทัยสัจความไม่เป็นไปของตัณหาและผมในสังสารวัฏทีต่อไปเป็นนีโรท้าสัจจ์ตปิปัททายถึงนีโรเป็นมากถามว่ามีจุดไหนที่สมมาสมพุทโธไม่ทมพทโธลงนี้มันอยู่ในบทโนกับที่เธอ สม า, าสดาับพุทโธตัดสรู้ได้ด้วยตนเองพี่ตัดสรู้โลกนั่นเองตัดสรู้โลกขันธโลกนั่นเองผมคนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยืเอ่อในกระดูกมากหัวใจไตปีเจอนี่ยมาวิจัยบนอริยศาสตร์บเลยเมื่อนี่ไงหลักปฏิบัติที่นี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามท่านถ้าเราปฏิบัติตามท่านตามนี้ผมคนเล็กฟันหนังเนื้อจะไม่ได้เป็นที่ตั้งของตรหนักนะที่ดี่ไปนานแล้ว ทำไมลราตื่นขึ้นมาผมสวยขนสวยไหมผมขนเล็บก็บสวยฟันก็สวยผิวก็สวยเพราะเราไม่ได้เอาผมขนเล็บฟันหนงังมาวิจัยความามีนทุกตัณหาที่เป็นปัจจัยผมขนเล็บฟันหนงังเกิดที่เป็นสมุ ท, ทยัยความไม่เป็นไปของตัณหาและความไม่เป็นไปของผมขนเล็บฟันหนงังเป็ต้นเป็นนิโรธปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมรรคเราไมไ่เอามาวิจัยถ้ามาวิจัยลงอริยศาสต ร, ร์เสียแล้วมันจะเป็นที่ตังของตัณหามาหน้าที่ฉีได้ยังไง แล้สัตว์โลกจะไปโกรธกันไหมถ้าวิจัยอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความรุณาต่อกั น, นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เป็นที่เป็นที่ตั้งของชาติทุทกชาติทุกมรณะทุกถูกชาลาห้ามหันมรณะแวดลอ้อมใช่ไหมปัญญาที่แวดลอ้อมเบียดเบียนเขก็ไปสู่ใกล้มรณนะมันยัตายกันอยู่แล้วใช่ไหมสัตว์มันจะตายกันอยู่แล้วมันยิ่งโกรธอะไรกันแล้วอ ไม่เหมือนไก่นี่ไก่มัวเยอะนี่หมูนะไก่ก็ดีหมูก็ดีช้างมาวัวควายก็ดีอยู่ในครอบอยู่ในนั้นก็ตัด ก, กันทุ่งกันทำร้ายกันท้าทั้งครอบไปฆ่าอแต่มนุษย์เนี่ยจะต้องมีปัญญามากกว่าจะต้องเห็นสังสารวัฏมีความเป็นไทยมีความเป็นของน้ากลัวใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันจะตุ้งไหมจะดุ้งไม่มัวแล้วว่าไปจะไปดูคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นปฏิบัติผิดคนนี้ปฏิบัติถูกมันไม่มีแล้ว มีแตความกรุณามีแจ่ความกรุณากันก น, นีจริงเลยนะแล้วศาาพุทธใช่ไหมพระเ จ, าจ้าชูบอกว่าไงไหมทานปาลามีไงมสำปันโนทานุป ป, ปามีทานปะาปรมัตถปาลามีเมตตาการุณามูทิดาวปิรากัลลุณาพระเจ้ า, า, น, า, จานี่พระมีกรุณากัปัญญากัตตุ้งเตือนบารมีท่านผูกอะไรไว้ในตนผูกสักว์ไว้ในตนแล้วก็ผูกบรมีไว้ในตน เราเนี่ยไม่ค่อยเราผูกสตร์ไว้ในตนก็จริงแต่เราผูกบุคคลอื่นด้วยตัณหามาณทิฐิไม่ได้ผูกด้วยกรุณากับปัญญาถ้าเราผูกด้วยกรุณาและปัญญานี่นะเราจะกรุณาเขาเราจะหยิจฉาโทษของสังสารวัฏที่เป็นไปในกระแสขันของเขาอย่างนี้ยเปลี่ยนกันตุน้มนี่เราไปผูกศาสตร์เป็นตัณหาได้วยมาณโดยทีิฐิไว้ในตน แล้วถ้าไปปลูกบรารมีได้ตัณหมามันอาทิตที่ผิดไม่จบเลยให้ทางเขาได้ตัณหามานะาทิตย์ที่เป็นคนอื่นเขได้ตัณหาวันอาทิตยผิดพลาดสร้างบรารมีกันผิดไม่เดินไม่เดินตามรอยบาทของพ่ อ, อใช่ไหมถ้าเราเดินตามรอยบาศก็าศาสดาของพ่อจริงๆเราจะมาวิจัยตามพุทธเจ้า ก, ก็เหะ น, นอาการสามสองเนี่ยพอเขาวิจัยทั้งหมดแล้วมีส่วนไหนจะเป็นนิจตั้งตัณหาวันอาทิ่ย์ไม่มี คิดเป็นเบาไหมล่ะวิจัยได้ดจริงๆเบาไหไมล่หมนี่มีคนวิจัยอย่างนี้ไหมก็ยากก็เนี่ยที่อาตมานำเสนออยู่นี่แหะก็ต้องการให้มาวิจัยเขาต้องวิจัยกันจริงๆทําไมวิจัยแล้วต่าหากเอาไปกินหมดแหละแต่ถ้าอารมณ์ใดที่ตัณญาเขาไปวิจัยแล้วมันเหมือนว่าเป็นที่ของพระราชาแล้วยาจบ ก, ก็ไม่คาบอยู่ ใช่ไหมแต่ถ้าหากโมหะไปวิจัยไปเสร็จแล้วก็เอาพวกพร้อมไปอยู่คือตัหณหาในนาทีที่ใช่ไหมฉะนั้นเพราะเราเคยเอาตัณหามานาทีิี่เล่นไปในสังสารวัฏในขันของเราท่านทั้งหลายดัยานายาวนั้นแล้วก็เราไม่เห็นโทษของสังสารวัฏไม่เห็นโทษของการหมุนไปของขันธาตุยัตนะที่เป็นไปอย่างไม่ขาดสายเพราะขาดการเข้าใจธรรมวสสาเน้นเป็นผู้พืดบอก จกักขูกรณียานะการณีไม่เกิดปัญญาไม่เกิดไม่ปัญญาไม่เกิดจริงๆนะพราปัญญาเกิดเบียเศเจเข้าใจว่าเห็นอริยสัจในที่ทุกสถานนะไหมใ ช, ใช่ไหมเมื่อถามว่าสัตว์โลกที่บอกว่ามืดเนี่ยเพราะไม่เห็นอริยสัจเข้าใจหรือยังไม่เห็นขันต้องตนเองโดยการบรรทุมเป็อริยสัจหยอหยากก็พอเองแล้ว <c oughs> ไม่ได้วิจัยเลยชีวิติพันธมา แล้วไม่เคยวิจัยขันภายนอกก็อีกจบเลยปกติไมได้ฟังทางก็คงไม่ได้ไม่ได้มาวิจัยกนเลยก็นี่งนี่ชีวิตตรงนี้มันต้องวิจัยแต่เอามาวิจัยแล้วจะเห็นโทษร้องงสารวัตจริงๆทีนี้มันไม่ใช่วิจัยแค่นั้นเนาะอาญาตนะสิบสองมีจักขายจตนะต้องมาวิจัยหมดด้วยความเป็นทุกขสมุทรไทยร้อนมักแต่ละอย่างต้องมาวิจัยเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ตั้งทุตนามนาธิปีข้าศึกแปด จักคูธาตุรูปธ า, า, า, ธาตุจัานธาตุเป็นต้นต้องมาวิจัยอินรียี22ถึงเป็นต้นต้องมาวิจัยด้วความมีทุกขสมุทยร่ต้นมาพบสามใช่ไหมไม่เอาการมาพบรูปประพบอพบรูปประพ บ, ะพบเอาสอย่างเี้เข้าไปในภูมินะใช่ไหมการมาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิรูปรร ป, รประไว้ทั้งหลายาน้านะา ป, ป, ปาให้ปปออัอู เห็นไหมพอมองตรงนี้เป็นเสร็จแล้วคิด เ, เลยว่าการมาภูมิรูปภูมิมรูปภูมิกามาภูมิมเป็นสัจจะอะไรการมาภูมิโดยองค์ธรรมคืออะไรนะก็คือขามาจิตห้าสีเจ็ดสิบห้าสนะก็คือขันห้าที่เป็นไปในการมภูมิเมื่อขันห้าทีเป็นไปในการมภูมิเดียดพราะมทั้งพื้นทั้งทั้งทั้งสังขารโลก ใช่ไหมทั้งสัตว์ตโลกทั้งโอกาสโลกโเอาสิโลกเหล่านี้ก็คือทุกข์สัแล้วอะไระเป็นปจัจจัยทำให้โลกเหล่านี้เกิดตั้นหาของสัตว์นี่นเลยเป็นสมุทยัยสัจจะถ้าตั้หาไม่เกิดเป็นไปถ้าโลกแบบนี้ไม่เกิดเป็นนิโรธาสัจจะตอนที่ปท้ายี่นิโรธเป็นนี่เราเคยเอาดินหญ้าต้นไม้มาวิจัยเป็นอริยาศาสตร์ไหม ท้าไม่วิจัยแล้วก็เป็นนิจรามตัณหาสิเพราะตัณหา ไ, ได้โ อ, อกาสจะช็อกนั่งในที่ทํา ง, งานเป็นเครือโต๊ะมาวิจัยเป็นทุกไหมแล้วเพราะอะไรเราถึงมานั่งโต๊ะตรงนี้เพราะตัณหาในอดีตเราไคยเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหม <c oughs> เพราะถ้า ม, มีตัณหาในอดีตไม่บวกกับรรมในอดีตเราจะไม่มานั่งโต๊ะตรงนี้หรอกนั่นนนัเป็นส่วนที่ยศจักโต๊ะก็ดีขังของเราที่มานั่งก็ดีเป็นทุกขสัจจ์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้ทั้งคู่เป็นไปเป็นนิโรธนะสัจจ์ อาเมาสที่เป็นปัจจัยหนึงที่เราเป็นมรรคสัจใช่ไหมรูปประคบขันที่เป็นไปในรูปประคบเป็นตัวพบเป็นทุกขสัจตัณหาที่เป็นปัจจัยพบเหล่านั้นเกิดที่ทำให้ขันเหล่านั้นเกิดเป็นสมุทัยสัจจะถ้าความไม่เป็นไปของขันความไม่เป็นไปของตัณหาเป็นที่เราและสัจปฏิปทาถึงที่ราเป็นมอารูปประบ ทุกัตริย์เห็นไหมตัณหาที่เป็นปัจจัยเข้าถึงอรูปภพเป็นสมทาศาศาุทัยยะสจักความไม่เป็นไปของตัณหาและอรูปภพนั้นเป็นนิโรจน์ะจักเห็นไหมปฏิปทาถึงนิโรจน์ก็เป็นมาถามว่าอักข ถ, ถึงไหมถ้าถึงจะเข้าใจอ้าพอถึงเนยสัญญาภพเพรที่มีสัญญาภพที่มีขันห้าอ่าสัญญาภ พ, พที่มีขันหนึ่งคือ เอกาวุธนี่แหละเนวสญญ า, นาสัญญาณาสัญญาณก็คือนุอาวุธอรูปภูมิที่สุดท้ายเป็นทุกขสัมรเลยต้หนหาที่เป็นปัจจัยนะั้นเป็นสมุทัยสัจจมุเลยถ้าความไม่เป็นไปของต้หนหาแล้วพบเลยนั้นเป็นนิโรธัสัจจมุลเลยะไปท้ายจริงนิโรเป็นหมนรผสมสม่านไหมโตผสมแาน ก, ากาาา็เป็นทุกขสัต์ทุตยชาติตัดที่ชิเชานิไหมอรูปชาทั้งหลายเป็นทุกขะัจมุล ตัณหาที่เป็นปัจจัยให้ป่าตัณหาทำให้ได้นั้นเป็นสูตทียิสัจจะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีชาเหล่านั้นเป็นนิโรธเนี่ยปัจจทาถึงนิโรธเป็นมากกาสเมตาก็เป็นทุกข์กษัตริย์กุนาก็เป็นทุกขัตริ์มุติตาก็เป็นทุกขัตริย์อุเบกขาเป็นทุกขษัตรย์ตัณหาที่ทำให้เกิดขันเหล่านี้เกิดกุนาเมุติตากุนามุติตากุลขาเป็นสมุทียิสัจจะปัจิท้ายให้ความไม่เป็นไปของตัณหาและชาหเ้ว Okay. เอาคิปฏิจจสมุปบาทอวิชาเป็นทุกไหมทุกสัตวนะ์อย่างนี้เป็นต้นเขียนให้เกิดเดวิชาก็เป็นสมุทัยความไม่เป็นใบของวิชาละเหียของวิชาเป็นน้โรธปฏิ ว, วัติจนี้ก็เป็นมัมีอะไรบ้างที่จะไม่ลงอริยสัจเนี่ยเข้าใจคว่าสัมมาสมพุโทโธอย่างเข้าใจคำว่าสัมมาสมุทโธอย่างนี่แบบย่อๆ <laughs> เร็วๆ <laughs> แต่ถ้ามานั่งวิจัยเนี่ยเป็นเรื่อง ใครวิจัยได้ในชีวิตจริงบรรลุนกนี่พระเจ้าสอนก็ไม่ได้พระเจ้าตรัสรู้แบบนี้แล้วก็ให้บุคคลอื่นต้องตรัสรู้ตามแบบนี้ถ้าอย่างนั้นจะไม่เห็นคำว่าสัมมาสัมพุทโธการปฏิบัติทำเลยห่างจากพระเจ้ายิ่งห่างยิ่งห่างยุ่งแล้วต้องเห็นคุณของท่านจริงๆว่าพระองค์มีคุณแบบนี้พวเห็นไหม ที่สงสารละวดงีนี้นี่คือสงสารลวันี่สงสารลวัดต้องเป็นอย่างนี้จนถึงน่นะชรามรณะเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุให้เกิดโศกกรรมพอดีเดียวว่าดูกระตมณัฐเสียวายากใช่ตัณหาตัณหาหมายถึงชาติเหตุของชราวรณะเนี่ยเป็นสมุทัย ความไม่เป็นไปของชาติและชาติมรดญทั้งสองทั้งสามนั่นแหละเป็นนิสสะนะันนาทนเป็นนิโรธปฏิบัติให้ตัเป็นเหตุให้รู้นิโรธยังเป็นมารกษ์จบเลยเตัวอดีตศาสตร์อย่างเงี้ยมีสัมมาสัมพุทโธแล้วสวดกันนะ่ะเคยลึกขนาดที่ว่าสัมมาสัมพุทโธจตตตตตตัดสรู้ชอบได้โดยพระองอคนะ์เองจบแค่นะั้นแค่นั้นแค่นั้นจริงๆิ้งจริงก็ต้องมาวิจัยอย่างนีน้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนะชัด น, นี่เ็นีส่วนวิชาจรนนารณาสัมปโ น, โนก็นี่ยแหละเอาวิปัสสนายาณก็ยาณในวิปัสสนาปัญญาที่พิจารณาเ น, นจัตตลักษณะแล้วก็แล้วกษามัญลักษณะคือลักษณะที่เป็นทั้งเฉพาะตัวลักษณะที่เป็นสามัญคือทีิยางทุกขังน้นต่างทั้งหมดให้เป็นวิปัสนาญาณตัวมโนยิที่ก็เป็นวิชาก็เป็นปัญญาก็เป็นวิปัสสนา การแสดงฤทธิ์เนรฤทธิ์กายพอจากกายชักเหมือนกับเอาไอชักใส่ออกจากย่าต้องมิชักดาบออกจากปากเป็นต้นเหล่างนี้เหมือนเนรฤิ์พระเจ้าอ่อนโง่หนึ่งนะนั่นเป็นปัญญาเป็นวิชาของท่านท่านต้องเห็นด้วยความเป็นนามรูปการทําอย่างนั้นถึงจะไม่เป็นที่ตา้งความรุ่มหลงเป็นต้นของปัญหามณฑิทิปนั้นคนที่เขาแสดงฤทธิ์ระดับในสมัยกอางวัฏฏะการเนี่ยเขาเข้าใจด้วยความเป็นนามรูปวิชาไม่เหมือนคนปัจจุบันที่เห็นเป็นสักบุคคล ยิงแสดงอิจฉาลึกมากไปยิ่โง่ยิ่งหลงเนี่ยนะเข้าใจใช่ไหมมันก็จะไปหลงว่ามีฤทธิ์มีอะไรมีเดาวใจดักใจมีอะไรพิเศษในจิตเนี่ยแค่มีอะไรนอกจากนามรูปใช่ไหมนี่ไปเห็นเป็นสัตว์บุคคลเยอะไปหมดเนี่ยก็ติดแน่นอยู่ในสัตว์บุคคลคิดไปไปมาจะได้เป็นผู้พิเศษนี่เป็นไงพระเจ้าจึงใช้คาวิชาวิชาก็เริ่มมาแรกเลยทำไมจ้งเริ่มเขาวิปัสสนาก่อนรู้ไหมยยามยามที่เขาใส แม้ไปดูในที่แค่นี้กายสีรสารวัตรเป็นต้นวิชาของท่านแปเนี่ยจะต้องใส่ต้องวิปัสนากรรกับท่านอัตถกาถาจะรีบขยายเลย mm hmm. เพียงที่จะต้องเอาวิปัสสนาญาณขึ้นก่อนเพราะเวลาไปทําอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายจะได้ไม่รุ่มหลงคนที่ไปได้วิชาอิทธิวิธีทั้งหลายแต่ไม่มีวิปัสสนาญาณทั้งหลาย mm hmm. ก็ไปแสดงอิทธิวิธี mm hmm. ด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใน mm hmm. เข้าในเข้าเห็นผิดจริหนาแน่นขน ถอนอยากเพราะเป็นสำคัญว่าตนเองมีดีแท้แต่ถ้าเห็นในความเป็นนามรูปเสร็จแล้วจบเลยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็อีกทิวทีแสดงฤทธิ์ ก, ก็เหมือนกันใช่ไหมที่ประโสูาิตนเองจะไม่มีความสําคัญว่าเราเป็นผู้ดีเป็นผู้พิเศษอะพ่อะไรกันมั้งเพราะว่ามีปัญญาเห็นบโดยความไม่เที่ยงเป็นทูป เ, เป็นผิดเป็นหน้าตาเสร็แล้ว เจตปปปญญากาหนดรู้จิตของบุคคลอื่นปุเพนิวาสานุติยานิเกตุติคนที่จะ เ, เลือกปุเพนิวาสารุติยานแม้ใ น, นพระองค์เองเนี่ยพระองค์ต้องรู้ปฏิจจังเลยเขียนด้วยความเป็นขันธิยะจันทค้าท่า น, นั้นเท่านี่ไปอ่ะแล้วก็เข้าใจศาสตร์บุคคลด้วยเข้าใจขันธยตนาทค้าที่เป็นไปในดีด้วยดิชันเลยแม้แต่จุติม้จุปปญญาเหมือนกันที่ก็จากภูยามตาที่เป็นต้นก็เนี้กันแล้วก็อาสวะขย้ายยา น, นทําอาสวะให้สิ้นนี้ไหมนี่คือวิชาแปด คือวิปัสสนาแปดนั่นเนองต้องใช้คำว่าวิปัสสนาคนนึกจะใช้